บทท şey ี่สิบเจ็ดเมื่อเปิดโอกาสให้ผ yeah ู้ฟังได้พูดพอหอมปากหอมคอแล้วพระมกุเทียจึงบรรยายต่ออุปมาสามข้อซึ่งมาปรากฏแจมแจ้งแก่พระโพธิสัตว์ทำให้พระองค์เกิดความมั่นพระทัยว่าจะตรัสรู้แน่นอนเพราะทรงหลีกออกไปจากกามได้อย่างเด็ดขาด ทั้งพระไทยก็ไม่ได้ยินดีพอใจในกามอีกนับตั้งแต่ออกผนวดมาได้หปีแล้วจึงทรงดําริที่จะบําเพ็ญทุกข ร, ะระกิริยาอันเป็นข้อปฏิบัติที่นิยมทํากันว่าเป็นทางให้ตรัสรู้ได้การบําเพ็ญทุกข ร, ะระกิริยาคือการข่มขี่บีบคั้นทรมานร่างกายให้ลําบากซึ่งเป็นกิจยากที่บุคคลจะทําได้ พระโพธิสัตว์ทรงทรมานพระวรกายมาเป็นสามวาระดังนี้วาระที่หนึ่งทรงกดพระทนด้วยพระทนและกดพระตาลุด้วยพระชิวหาไว้แน่นจนพระเศโทโธไหลออกจากพระกัจจะเมื่อทรงเห็นว่าไม่เป็นหนทางที่ถูกจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นวาระที่สองคือทรงผ่อนกลั้นลมอสซาสาปซาสะ ครันลมเดินไม่ได้สะดวกทางช่องพระนาศิกและช่องพระโอทก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกันทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรเสียดพระอุทธ ร, ร้อนในพระวรากายเป็นกำลังแม้กระนั้นก็ยังไม่เป็นผลจึงทรงเปลี่ยนเป็นวาระที่สามคือทรงอดพระกยายฐารผ่อนเสวยวันละน้อย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 แม้พระวรกายจะ ก, กระวนกระวายไม่สงบระงับลงเลยแต่ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจครอบงำพระหฤทยัยให้กระสับกระส่ายได้ทรงมีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนปราลบความเพียนโดยมิท้อถอยจนเกือบสิ้นพระชนด้วยว่าอยู่มาวันหนึ่งทรงอ่อนพระกำลังเพราะทรงอิดโรยด้วยความหิว จนไม่สามารถจะส่งพระวรากายไว้ได้ก็ส่งวิสัญยีภาพลม้มลงหน้าที่แห่งนั้นเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาเห็นพระโพธิสัตว์นอนสลบสลายก็คิดว่าพระองค์มรณภาพครั้นใช้มืออังที่ปลายพระนาศิกเห็นว่ายังมีลมหายใจอยู่จึงรีดนมแพะมาหยอดใส่ในพระโอษฐ์ไม่นานนัก พระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระสติทรงพิจารณาข้อปฏิบัติที่บำเพ็ญอยู่และดำริว่าบุคคลในโลกนี้จะทำทุกกระกิริยาอย่างอกกฤิเพียงไรบุคคลในโลกนี้จะทำทุกระกิริยาอย่างอกกฤิเพียงไรก็ทำได้เสมอพระองค์เท่านั้นจะทำให้ยิ่งไปกว่าพระองค์หาได้ไม่ ในเมื่อพระองค์ทรง ร, รมอย่างอุกฤษเห็นปานนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณทุกรกิริยาไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่ทางแห่งพระโพธิญาณที่ควรแกการตรัสรู้ต้องเป็นมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเมื่อการบำเพ็ญเพียรทางกายไม่ทำให้บรรลุพระโพธิญาณ จึงทรงเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตและก็ทรงกลับมาเสวยพระกยาหารตามเดิมระหว่างที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกะกะริยาอยู่นั้นได้มีนักบวชห้ารูปเรียกว่าคณะปัญจวคีได้แก่โกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอชัชชมาคอยปรนิบัติรับใช้ด้วยหวังว่าจะได้บรรลุความหลุดพ้นตาม ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกร ะ, ระกิริยาก็พากันคิดว่าพระองค์ทรงละความเพียรพยายามแล้วจึงพากันเดินทางไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมลึกขทยวันแขวงเมืองพาราณสีทิ้งพระองค์ไว้ที่ตำบลอุรุเวลาแห่งนั้นการจากไปของคณะปัญจวคีย์ยังผลดีให้เกิดแก่พระโพธิสัตว์เพราะทาให้พระองค์ทรงพบ กับความสงบวิเวกยิ่งขึ้นบรรยากาศเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาทางจิตในตอนเช้าของวันเพ็ญเดือนวิสาขะนางสุชาดาบุตรีเครือหบดีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้นำข้าวมะทุปย า, ายาใส่ถาดทองมาถวายด้วยคิดว่าพระโพธิสัตว์เป็นลุกคเทวดา เมื่อนางกราบบังคมลากลับไปเรือนแล้วพระโพธิสัตว์ทรงลุกจากที่ประทับใต้ต้นนิโครธทัพฤกษ์ทรงถือถาดข้าวมทุปายาตเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราประทับบ่ายหน้าพระพักสูุบุรพาทิตทรงปั้นข้าวมทุปายาตเป็นก้อนๆได้อนได้49ก้อนแล้วสเสวยทั้งหมดจากนั้น ทรงถือถาดลงไปสู่แม่น้ำตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะบรรลุพระโพธิญาณขอให้ถาดทองใบนั้นจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วส่งลอยถาดทองนั้นลงในแม่น้ำเนรัญชาราด้วยอนุภาพพระบารมีของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญมาบริบูรณ์ดีแล้วถาดทองนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้น แสดงให้เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วจมลงตรงหน้าข พ, พิภพแห่งพญากาลนาคราศพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็สงมั่นพระทัยว่าพระองค์จะได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนจึงเสด็จมายังดงไม้สาระริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราประทับภายใต้ร่มไม้สารพฤกคลั้นเวลาสายันตะวันรอน อ่อนแสงลงทรงออกจากดงไม้สาละเสด็จดำเนินข้าแม่น้ำเนรัญชาราไปสู่ควงไม้อสัตั์พฤึกระหว่างทางทรงพบพรามชื่อสุธิยะซึ่งมีอาชีพตัดย้าขายสุธิยะพรามเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมถวายยากุสะแปดกรรมพระโพธิสัตว์ทรงรับย่ากุสะแล้วเสด็จไปยังร่มไม้อสัตพฤึก ทรงอธิษฐานว่าหากพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอบัลลังก์แก้วจงบังเกิดขึ้นรองรับพระสัพพยุตยานณที่นั้นบัดโดนบัลลังก์แก้วอันวิจิตก็บังเกิดขึ้นสมดังพระไทยปรารถนาคลั้นแล้วก็เสด็จขึ้นประทับนั่งบัลลังก์แก้วผินพระพักไปยังบูรพาทิศหันพระปฤษศางไปทางลำต้นอัศถพลึก ก่อนจะเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายเราจะแห้งเหือดไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุพระโพธิญาณเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งภายใต้ต้นอสถพธพึกนี้ พระองค์ทรงมีพระไัยเด็ดเดียวหารกล้าเกินกว่าคนธรรมดาสามัญ น, นะคะนิทาพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกเพราะพระองค์สิ้นพระชนลงเสียก่อนนางสาวสายยายรักพูดด้วยความซาบซึง้งหลังจากที่ฟังการบรรยายด้วยใจจดใจจ่อโยมฟังท่านบรรยายแล้วอยากจะร้องไห้สงสารพระพุทธองค์ ที่ทรงลำบากตรากตรำเพื่อความสุขของชาวโลกพระกรุณายิ่งใหญ่เหลือเกินโยมปลื้มใจที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้มาแสวงบุญในแดนพุทธ ภ, ภูมินี้โยมขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาทุกปีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้ามาไม่ไหวก็จะให้ลูกหลานอุ้มใส่รถเข็นมา โยมผ่องใสพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นจนน้ําตาใสๆาคลอนหน่วยตาทั้งสองข้างถ้าผมยังไม่ตายก็จะมาเป็นเพื่อนทุกปีนิมนต์หลวงพ่อมากับผมทุกปีนะครับโยมเสงพูดกับภรรยาและจึงพูดกับท่านพระครูอาตามายังรับปากไม่ได้เพราะงานยุ่งมากเจ้าอวาดวัดป่ามะม่วงยังไม่รับปากท่านรู้ ว่าการมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายท่านรู้ว่าการมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายท่านได้สำเร็จประโยชน์ตามคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้วการมาครั้งนี้ก็เพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่าชมพูทวีเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดจริงเพราะต่อไป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 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมาอุบัติที่ชมพูทวีปเท่านั้นท่านมั่นใจในพระปัญญาตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ไว้พระมกุเตศให้โอกาสญาติโยมได้แสดงความเห็นพอสมควรแล้วจึงบรรยายต่อพระมกุเตศได้โอกาสพระมกุเตศให้โอกาสญาติโยมได้แสดงความเห็นพอสมควรแล้วจึงบรรยายต่อ เมื่อได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วพระโพธิสัตว์ได้ประทับบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ภายใต้ควงไม้อสัตนั้นบรรดาเท พ, พ ย, ยดาทั้งหลายต่างก็พากันชื่นชมสมนัสนำบุปผามาลัยมาสักการบูชาเปล่งเสียงโห่ร้องแซ่ซ้องสาธุการฝ่ายเท้าวัสวัตดีมานได้สดับเสียงสาธุการของเหล่าเทพ ย, ายดา ก็ทราบชัดในพระไทยว่าพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้พระสัพพยุตยานทําลายบ่วงมานที่ตนวางขึงรัดรึงไว้แล้วหลุดพ้นไปได้ก็มีจิตริษยาเปล่าประกาศเรียกพลเสนาเปล่าประกาศเรียกพลเสนามามากมายหมายจะไปทําลายล้างผลานให้แหลกลานในปริปตาจึงขี่ช้างชื่อ คารีเมฆระแล้วเนรมิตมือพันมือถืออาวุธพร้อมนำกองทัพเหาะลงมาล้อมเขตขันทบลังแก้วไว้แน่นหนาพวกเทพยพยาดาที่มาห้อมล้อมถวายสักการะบูชาพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเทววสวัตดีมานยกพหหนพนโยธามารุกรานเช่นนั้นต่างตกใจกลัวอกสั่นขวัญหาย พากันหนีไปจนสุดขอบจั ก, กรวาลทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้แต่ลำพังพระโพธิสัตว์ไม่ทรงแลเห็นใครที่ไหนจะช่วยได้ก็ทรงระลึกถึงบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาทั้งสิบประการมีทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา ในแต่ละประการที่ทรงบำเพ็ญได้ครบสามระดับคือระดับบารมีระดับอุปะบารมีและระดับปรมัภะบารมีการบำเพ็ญบารมีมาครบท่วนประมวลแล้วได้ถึง30ทัศเช่นนี้มีหรือที่จะกลัวเท้าวัาสวัตดีมารและเสนาเหตุนี้จึงประทับสงบนิ่งอยู่ ฝ่ายท้าววัสวัสดีมานครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนิ่งไม่ได้ไหวติงหรือแม้แต่ไหววันก็โกรธส่งเสียงร้องสั่งให้พลเสนามารเข้าผาจนพระโพธิสัตว์พุ่งสั์สัตว์ราวุธทุกชนิดซึ่งมีพิษร้ายบรรดาสัตว์ราวุธก็กลับกลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระโพธิสัตว์ยังความสมนันให้เกิดขึ้นแก่ท้าววัสวัสดีมานเป็นล้นพ้น กระนั้นก็ยังผจญต่อไปโดยกล่าวตูด้วยสันดาน่านวิสัยว่าดูก่อนสิทธถัตะบัลลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญค่าเป็นของสมควรแก่ข้าเจ้าหามีบุญไม่จึงไม่สมควรนั่งจงลุกลีกไปอย่าได้ช้าพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าไม่สมควรนั่งจงลุกหนีไปอย่าได้ช้า พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าดูก่อนพญามานบรลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญบรารมีที่เราได้บาเพ็ญมาหลายอสมขยนับกับประมาณไม่ได้บัลังแก้วจึงสมควรแก่เราเท่านั้นหาสมควรแก่ผู้อื่นไม่้ทววสวสดีมานจึงท้าให้พระโพธิสัตว์หาพยานมายืนยันด้วยเห็นว่าพระองค์ จะไม่สามารถหาพยานได้เพราะแม้แต่ทวยเทพพยดาก็พากันหนีไปหมดเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทรงเห็นผู้อื่นใดที่จะกล้ามาเป็นสักขีพยานจึงได้ตรัสเรียกแม่พระธรณีนามวสุนทราว่าดูก่อนวสุนทรานางจงมาเป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญบารมีของเราในการระบาดนี้ด้วยเถิด แม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีทำอัญชลีถวายอภิวาทพระโพธิสัตว์แล้วประกาศให้เท้าวัสวัตดีมานทราบว่าพระสิท ธ, ธะัะบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากมายมหาศาลตลอดกาลนานเหลือขนานับแต่น้ำกรวดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมมารองรับก็มากพอที่จะเป็นหลักฐานได้ว่าแล้วก็ประจงหัด อันงามปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดที่สะสมไว้เป็นอเนกชาติให้ไหลหลังออกมาเป็นทะเลหลวงท่วมทับ พ, พยามารและเสนามานทั้งปวงให้จมลงกำลังแห่งน้ำได้พุ่งซัดเอาช้างขาลีเมฆละให้ถอยร่นออกไปจนติดขอบจักรวาลทวัสวัสดีมานตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์จึงประนมหัดนมัสการ ยอมปราชัยแพ้พ่ายบุญบา ร, รมีแล้วก็อันตรธานหนีไปจากที่นั้นยังไม่ทันที่พระอาทิตจะอัสดงมานไปแล้วพระโพธิสัตว์จึงทรงบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อโดยเริ่มเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุถฌานเมื่อจิตเข้าถึงจตุถฌานลมอสาศะปะปาสะก็ดับไป จากนั้นทรงออกจากฌานและทรงเจริญฌานอันเป็นองค์ปัญญากระทั่งทรงบรรลุฌานทั้งสามขั้นตามลำดับแห่งเวลาคือยามต้นทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานคือความรู้ทำให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้ทรงระลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติจนถึงหลายหลายกับ ว่าในชาติเท่านั้นได้มีชื่อมีโคดมีผิวพันมีอาหารเป็นอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์เป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโนนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงมาเกิดในชาตินี้ยามกลางทรงบรรลุจุดตูปปาตาญาณคือรู้ในจุติและอุบัต ขอสัตว์ทั้งหลายได้ทิพจักขุอันบริสุทธกว่าจักขุสามันเห็นปวงสัตว์ที่กำลังอุบัตเลวดีมีผิวพันงามมีผิวพันซามได้ดีหรือตกยากรู้ชัดว่าปวงสัตว์ที่เป็นไปเช่นนั้นตามกรรมของตนยามปลายทรงบรรลุอาสวะขยัยานคือความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไป หมายถึงรู้อริยสัจสี่รู้ชัดตามจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุก์นี้ความดับทุกขข้อนี้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกเหล่านี้อสวะนี้เหตุเกิดอสวะนี้ความดับอสวะนี้ทางไปถึงความดับอสวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นจากอสวะสามคือกามาสวะ ภาวะสวะอวิชชาสวะรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำเสร็จแล้วกิจอันอื่นจะต้องทำเช่นนี้ไม่มีอีกเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามปลายของคืนวันเพ็นเดือนวิสาขะซึ่งต่อมาเรียกว่าวันวิสาขบูชา และต้นอสัตถพฤกได้ชื่อใหม่ว่าโพพฤกด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุโพธิญาณภายใต้ต้นไม้นี้ที่เราเรียกขานกันในปัจจุบันว่าต้นพระสีมหาโพธิ์พระมกุเทศสรุปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาสวดปฐมพุทธภาสิทธิ์คาถาเพื่อ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 พระวัตตัดสินใจพูดขึ้นทั้งที่รู้สึกอาญาตโยมพระขุนทษกับพระรสุคนค่อยมีกำลังใจเพราะท่านเองก็ท่องไม่ได้จึงพากันสารภาพว่าท่องไม่ได้เช่นกันผมเองก็ท่องไม่ได้พระมกุเทศพูดเสียงอ่อยไม่เป็นไรตอนนี้ท่องไม่ได้ก็ดูหนังสือไปก่อนแต่ผมว่าท่านต้องกลับไปท่องให้ได้ เพราะท่านเป็นพระมกุเทศคือต้องเป็นผู้นำทางถ้าผู้นำไม่รู้แล้วใครจะรู้ผมคิดว่าพวกท่านก็ควรจะท่องให้ได้ท่านพูดกับพระอีกสามรูปเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัวถ้าโยมจะพูดเรื่องจริงพระคุณเจ้าจะว่าเกินหน้าตาหรือเปล่าคะแต่จะว่าก็ได้โยมไม่ถือ โยมกำลังจะพูดว่าโยมท่องได้นานแล้วพระตอนเด็กๆอยู่กับยายยายสอนให้สวดมนต์ทุกวันโยมผ่องใสพูดแบบเกรงใจพระภิกษุสีรูปท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่โยมผ่องใสพูดว่าตอนเด็กๆอยู่กับยายเพราะท่านก็อยู่กับยายสมัยเป็นเด็กเช่นกันโยมยายเคยสอนท่านให้สวดมนต์แต่ท่านก็ไม่เชื่อฟัง ยังดีที่บวชไม่ศึกไม่เช่นนั้นก็คงกลายเป็นมหาโจรดังที่ถูกปรามาตไว้ถ้าอย่างนั้นผมขอนิ ม, มนต์หลวงพ่อนำสวดนะครับพระเจริญนิ ม, มนต์พระครูเจริญผมว่าให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าเพราะท่านอาวุโสที่สุด ถึงผมจะอาวุโสที่สุดแต่เสียงไม่ค่อยดีนิมนทันแล้วกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองมอบหน้าที่ให้ท่านพระครูถ้าเช่นนั้นคนทิดท่องไม่ได้ก็เปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สิบเก้าสมภารวัดป่ามะม่วงบอกแล้วจึงสวดนำว่าหันทะมยังปัธรรพุทธภาสิตาคาถาโย ο, พนามเส จากนั้นจึงสวดและแปลอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอานิภิสังเมื่อเรายังไม่พบยานได้ท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกตชาตขะหาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุนปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเกลือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกขร่ไป คหะการะกะทิทโศสิปุณะเคหังนะกาหะสินี่แนในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสภาเตพาสุกาภัากาคาะหะกูตังวิสังขตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้เสียแล้ว วิสังขารักขาตังจิตตังคันหานังขยะมัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาสวดจบจึงพากันกราบระลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณเมื่อเงยหน้าขึ้นปรากฏมีน้ำใสๆเอ่อล้อนอยู่ในหน่วยตาทั้งสอง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 ถ้ากราบเป็นจะถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวบัดนี้เขากราบเป็นแล้วมาเป็นตรงสถานที่ที่ตรัสรู้นี่เองท่านพระครูรู้ว่าโยมเสงกําลังคิดอะไรอยู่จึงพูดรับรองความคิดของเขาว่าตอนที่อาตมากราบเป็นใหม่ๆน้ำตาก็ไหลเช่นกันหลวงพ่อกราบเป็นมานานหรือยังครับโยมเสงถามเบาๆ ตั้งแต่เรียนธรรมกายกับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วท่านพระครูตอบได้เวลากลับไปชั้นเพงและรับประทานอาหารแล้วขอให้เรามาบูชาสถานที่ตรัสรู้คือเจดีย์สถานพุทธกยาแห่งนี้พร้อมๆกันอาบูชาอยู่หน้าท้า ย, ายของหนังสือนิมนต์หลวงพ่อว่านำวักแรกด้วยครับ พระมกุเทศมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูแจ่อวาสวัดป่ามะม่วงจึงสวดนำวักแรกและสวดพร้อมไปกับคนอื่นๆดังนี้มหาการุณิโกนาโถปัตโตสัมโพทิมุตตะมังวิสาขะปุณณามีกาเลมหาโพธิวะรุตเตเมบุพเพนิวาสานุสติยานาังจุตูปปาตายานางัง อาสวะขยัยานัจจะปตวาอนุกเมนิทะอระหังสัมมาสัมพุทโโลกานางอนุกรรมปโกสัทสสะทัศนียัญจะสังเวชนียะเมวะจะมังคลัตฐานะเมตตมปิสัมปตต า, านิเยมะยังปริสุทธายะสัทธายะเยกาลาอะหตาอิเม ปติวัตถริตาเตหิปูเชมะรัตนัตายังพุทธปูชายะทินนันจะอิทังโนกายะชีวิตังธรรมปูชายยะทินนันจะอิทังโนกายะชีวิตังสังฆปูชายะทินนันจะอิทังโนกายะชีวิตังอิทิโสมารชินายังโอกาโสมังคลมุตตโต พุทเทนะพุทธภาโวโยยัตถาอธิคโตตถาสัมปติปฏิปฏัปชามะพุทธตาโม ป, ปปันชิตุนติพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดหน้าภายใต้มหาโพพฤกอันประเสริฐล้ำเลิศนี้ในวันเพนเดือนวิสาขะ ณสถานที่แห่งนี้พระองค์ทรงบรร ล, ลุบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตาญาณและอสวรรยญาณตามลําดับเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ชาวโลกบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาถึงสถานที่อันเป็นที่ควรเห็นเป็นที่ให้เกิดความสังเวชและเป็นที่อันมงคลของกุลบุตร ผู้มีศร <groans>. ัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายมีปีติยิ่งขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมนํามาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นธรรมบูชาขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นสังฆบูชา ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชำนะมารโอกาสเช่นนี้เป็นอุดมมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วนาการบัตดนี้เถิน